แนะนำบทมะรยัมบทมะรยัมเป็นบทมักกียะมี 98 องค์การมีจุดมุ่งหมายเน้นหนักเรื่องการให้เอกภาพการให้ความบริสุทธิ์แก่อัลเลาะห์ตลอดจนเน้นหนักต่อการศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนสาระสําคัญของบทนี้กล่าวถึงเรื่องการศรัทธาอัลเลาะห์และความเป็นเอกภาพของพระองค์ตลอดจนชี้แจงถึงวิถีทางของบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง เหล่าวิธีทางของผู้ที่หลงผิดบทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีบางท่านเริ่มด้วยเรื่องของนบีซักกะรียาและนบียะห์ยาซึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานบุตรให้แก่ซักกะรียาและขณะที่ท่านเข้าสู่วัยชราและจากปัญญาของท่านซึ่งเป็นมันแต่อัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทรงได้ยินการวิงวอนขอของผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากทรงตอบรับการร้องเรียนของผู้โศกเศร้าเสียใจ และณลออจึงทรงตอบรับการวิงวอนขอของท่านและทรงประทานบุตรที่เฉลียวฉลาดให้แก่ท่านบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งนั่นก็คือเรื่องของนางมะรยังผู้บริสุทธิ์และการคลอดบุตรของนางโดยปราศจากบิดาเคล็ดลับของพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งปาฏิหาริย์อันนี้ปรากฏขึ้นด้วยการให้กำเนิดอีซาจากมารดาโดยปราศจากบิดา เพื่อว่าร่องรอยแห่งพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นภาพหลักให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกะของพระองค์บทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีอิบรอฮีมกับบิดาของท่านและได้กล่าวชมเชยยกย่องบรรดาศาสนทูตของอัลเลาะห์คืออิสฮากยาโคบมูซาฮารูนอิสมาอีลอิดรีสและนูห์การกล่าวถึงบรรดาศาสนทูตเหล่านี้ ใช้เนื้อที่ถึง 2 ใน 3 ของบทจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อนเน้นถึงความเป็นเอกภาพแห่งศาสนะของอัลเลาะห์ทั้งนี้พระศาสนทูตทั้งมวลได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์และก็จัดการตั้งภาคีเคียงคู่กับบรมบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพบางส่วนของวันสิ้นโลก และความน่าสะพรึงกลัวแห่งวันตอบแทนในสภาพที่บรรดาผู้ฝ่าฝืนดื้อดึงปฏิเสธศรัทธาจะคุกเข่าเรียงรายรอบขุมนรกเพื่อจะถูกโยนใส่เป็นเชื้อเพลิงของนรกชื่อของบทคือบทมารยาถูกตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพื่อรำลึกถึงปาฏิหาริย์นั่นคือการให้กำเนิดมนุษย์โดยปราศจากบิดา การที่อัลเลาะห์ทรงให้ทารกแบ่บ่อพูดได้และปรากฏการที่น่าประหลาดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกาฟฮายา ها يا اين سار ذكر رحمه ربك عبده زكريا นี่คือการกล่าวถึงเมตตาธรรมแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่มีต่อซักรียาบ่าวของพระองค์ ادنا ربه نداء خفيا เขาได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยการวิงวอนอย่างสงบอัลลอฮุร็อบบีอินนีวะฮะนาลอัซมุมินนีวะชะตะอะละรราอสุชัยบาวะวะลัมอะกุมบิดุอาอ์ลิกะร็อบบิชะกียันเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกระดูกของฉันอ่อนแล้วและศีรษะก็มีงอกแล้ว ละไม่เคยปรากฏเลยว่าการอิงวอนของฉันต่อพระองค์ท่านนั้นไร้ผลโอ้พระผู้เป็นบานของฉันวะอินนีฆิตตุลมะวาลิยามินวะราอีย์วะกานัตอิมรานตีอาคิรันฟะฮับฟะฮับลีมินลัดุนกะวะรียาละแทจิงฉันกลัวลูกหลานของฉันภายหลังจากที่ฉันตายไป และปัญญาของฉันก็เป็นมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ฉันด้วยเถิดยาริซูนีวะยาริซุมินอาลียะอ์กูบวะอัจอัลฮุร็อบบิรฎิยันผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนฉันและสืบทายาทจากตระกูลยาโกบและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิดโอ้ รับผู้อีบานของฉันยาซะคัรียาอินนานุบะชชิรุกะบิฆุลามินอิสมิฮูยะฮยาลัมนัจอะลละฮูมินกับลุสมียาโอซะคัรียาแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือยะฮยาเราไม่เคยตั้งชื่อผู้ใดมาก่อน قال ربي ان لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا قال واه ربي انني ضعفت وجعلت من امري خيرا فاجعل لي من امري خيرا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا เขามะลักกล่าวว่ากระนั้นก็ดีพระผู้บานของเจ้าได้ตรัสว่ามันง่ายสําหรับข้าและแน่นอนข้าได้บังเกิดเจ้ามาก่อนโดยที่เจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไร อَالرَّبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا قال زكريا قال واه رب بيتي قرب بره نج بره سنار كداو سنار ของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลา 3 คือ ทั้งๆที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่เขาออกจากเผ่าของเขาจากมหฺรบ์แล้วอูฮาไปยังพวกเขาให้สรรเสริญเช้าและเย็นแล้วเขาได้ออกจากมหฺรบ์มายังกลุ่มชนของเขาและเขาได้ทําสัญญาณแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจงกล่าวสรรดิ์ศรีทั้งในยามเช้า لا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه وانتينا الحكم صبيا او يا يا เจ้าจงยึดมั่นต่อคัมภีร์เต่ารอดอย่างมั่นคงและเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้เขาตั้งแต่เขายังเยาว์วัยอยู่ وحللنا من لدنا وزكاه وكانت تقيا และความน่าสงสารจากเราและความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรงวะบะกอนบิวาลิดัยฮิวะลัมยะกุนจับบารันนอศียะและเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงยะโสเป็นผู้ฝ่าฝืนวะซะลามุนอะลัยฮิยะอ์มูริดวะยะอ์มามูตวะยะอ์มัยบะอ์ษุฮัยยะละความสันติจงมีแด่เขา วันที่เขาถูกคลอดแล้ววันที่เขาตายแล้ววันที่เขาถูกให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่วะซกุลฟิลกิตาบมัรยัมอิซอินตะบะดัตมินอะห์ลิฮามะกานันชะรฏียะห์ละจึงกล่าวถึงเรื่องของมารยัมที่อยู่ในคัมภีร์เมื่อนางได้ปลีกตัวออกจากหมู่ญาติของนางไปยังสถานที่หนึ่งทางตะวันออกของ بَيْتُ الْمَقْدِسِ تَتَّخَذُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا لو nàng ได้ชายม่านกั้นให้พ้นจากสายตาของพวกเขาแล้ว ให้เห็นเป็นชายอย่างสมบูรณ์ออลัจญีอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا خوجีบุรินกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้เป็นบานของเธอเพื่อฉันจะให้ลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอ قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اذ بغيا นางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่วกอละกะซาลิกกอละร็อบบุกฮุวะอะลัยฮัยนวะลินัจอะละฮุอายะตันลิลนาซีวะเราะห์มะตันมินนาวะกานะอัมร็อนมักฎิยานเค้ากิบรอีนกล่าวว่าครั้นนั้นก็เถอะ ราพุบาลของเธอตรัสว่ามันง่ายสําหรับข้าและเพื่อเราจะได้ให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสําหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดไว้แล้วแล้วนางได้ตั้งครรภ์แล้วนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์ ยังสถานที่ไกลแห่งมาขอไปที่ จذع นขละตกาละตกาลอันที่ยาลิตนิมตกบละฮาซาวะกุนตุนซิมมะนซียาความเจ็บปวดใกล้พอดทําให้นางหลบไปที่โคนต้นอินทผลัมนางได้กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสียก่อนหน้านี้ และฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสียก็จะดีและนาดามิน تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ดังนั้นเค้ามะลักได้เรียกนางทางเบื้องล่างของต้นอินทผลัมว่าอย่าได้โศกเศร้าเสียใจไปเลยแน่นอน พระผู้บานของเธอทรงจัดลําธารไว้เบื้องล่างของเธอแล้ววะฮุซซีอะลัยกิบิจิดอฺนัคห์ละติตูซากิตุอะลัยกิรฏบันญะนิยาละจงเขย่าต้นอินทผลัมให้มันเอียงมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นผลอินทผลัมที่สุกหน้ากิรกูลี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 ฉันได้บ่นการสงบนิ่งไว้ที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีฉันจะไม่พูดกับมนุษย์คนใดเลยในวันนี้ละนางได้พาเขาคืออีซามาหาญาติของนางโดยอุ้มเขามาพวกเขากล่าวว่าโอ้มารยัม ถ้าจริงเธอได้นําเรื่องประหลาดมาแล้ว يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا โอ้น้องหญิงของท่านพ่อของเธอมิได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงโฉด فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا نانชีไปถามเขา พวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไร قال اني عدد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا เขาอีซากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคัมภีร์แก่ฉัน และทรงให้ฉันเป็นศาสดาวะจาอะละลีมุบารอกันไอนะมากุนตุวาออซานีบิสศอลาตวัซซะกาตมาดุมตุฮัยยาละพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจําเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ณที่ใดและทรงสั่งเสียฉันทําละหมาดและจ่ายซะกาตตราบเท่าที่ฉันมีอยู่ وَبِرَّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً لا سَوْفَ أُجْنِى ṭัมดี ຕໍ່ມານດາຂອງຊັນແລະຈັ່ງບໍ່ສົງທໍາໃຫ້ຊັນເປັນຜູ້ຍິງຍະໂສຜູ້ຕ່ໍາຊາ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ແລະຂໍຄວາມສັນຕິຈົ່ງມີແດ່ຊັນວັນທີ່ຊັນຖືກຄອດແລະວັນທີ່ຊັນຕາຍ แล้ววันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมีชีวิตใหม่นั่นคืออีซาบุตรของมารยัมมันเป็นคําพูดที่จริงซึ่งพวกเขายังมีความสงสัยอยู่ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون ไม่เป็นการถูกต้องสําหรับอัลเลาะห์ที่พระองค์จะทรงเอาผู้ใด وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ แท้จริงอัลเลาะห์คือพระผู้เป็นของฉันและพระผู้เป็นของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่คือทางอันเที่ยงตรง